ใครที่เจริญอที่ที่เรียกว่าเจริญอะไรนะเจริญรูปสัตวกะรูปสัตกะเป็นต้นมาดีก็ไม่น่ามีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาอนิจจังทุกขังและอนัตตาสมมติถ้าเราพิจารณาอนิจจังอะไรสักอย่างหนึ่งเราเห็นแล้วเราจ้องดูเมื่อไหรม่มันจะอนิจจังเมื่อไหร่มันจะอนิจจังใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะไม่เที่ยงคิดอย่างนี้ไหมที่เรียกว่าพิจารณาอนิจจังอ้าวทำไงอ่ะ ใช่ไหมเอา้าเดสมน์นะฮะเนี่ยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวรูปภาพเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเอ๊ะดูจะ บ, บ้างนานทำไมมันอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะอย่างงี้หรือเปล่าว่าคิดเรื่องไม่เที่ยงอะไรคิดยังไงอ่ะเพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะเขบอกว่ า, วารูปเนี่ยควรจะงามอายุสักกี่ปีอีกห้าสิบปีข้างหน้าภาพเหล่านี้จะงดงามไหม สี่ิปีข้างหน้าเนี่ยค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมาแล้วย่อขยายย่อขยายย่อขยายแบบนี้ก็จะเริ่มเห็นนะว่าเออมันก็ไม่เที่ยงเกิงเพราะคนที่คิดเรื่องไม่เที่ยงไม่ใช่เขาเห็นแค่นั่งทำตาปริบปริบปริปรเนี่ยก็กรพริบตานี่ยแหละก็เลยไม่เที่ยงเลยเพราะงั้นโอยไอตอนที่เห็นกับตอนที่หลับตาแล้วก็ลืมตามใหม่มันคนละอันแล้วนะเคสยังไงก็คิดตามในใจไม่ค่อยจะยอมรับเลยมนะันทั้งการที่คิดถึงเรื่องไม่เที่ยงนะนเนี่ยเส้นว่าโอ้โหเนี่ย เอ้ทุกคนว่าไอ้ไม่เทียเท่ยงไอ้ไหมก็ขยับตัวไปขยับตัวมานี่แหละไม่เที่ยงแต่คิดอย่างนี้แล้วถามมันจะเบื่อหน่ายจากวัตตาอะไรบ้างก็ขยับตัวเนี่ยดีไม่ดีชอบซะอีกที่ขยับตัวเป็นต้นนะทันไอ้ไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณายัางไงก็คิดแบบภาษาริบุตรไปดูละครกันแล้วกันโอ้ยทั้งอะไรนะทัคนแสดงทั้งคนดูไม่ถึงร้อยปีก็หมดแล้วเนี่ยนะของเราทั้งหลายอีกไม่ถึงร้อยปีนะจะอยู่ตรงไหนกันเนาะ รูปแยกกันอยู่คนละวัดอะเชื่ออในส่วนของกระดูกเนี่ยอยู่คนละวัดผมคนเล็บก็แล้วแต่ไฟพับเพลิงเผาที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่สรุปว่ามีใครที่ยั่งยืนอยู่ไหมท่้นการคิดถึงไม่เที่ยงนั้นน่ะคือเขาคิดตลอดสายเขาไม่ใช่ว่าไม่จอนะจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการมองทุกอย่างออกอย่างตลอดสายว่า่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างขึ้นมาได้ยังไงอย่างเห็นรูปภาพทั้งหลายเนี่ยภาพคืออะไรภาพก็คือกระดาษทาสีแล้วกระดาษทาสีถ้าสีมันลอกล่ะ ถ้าสีมันลอกแล้วภาพเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรแล้วเหตุปัจจัยให้สีลอกมีอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นแล้วกระดาษมันผูกมันเองได้ยไหมกระดาษเองมันก็ผูกมันเป็นถ้าเจอน้ําเข้าไปเจอความร้อนเข้ามาเลี้ยวกระดาษมันก็ผูกมันก็ยุ่ยแล้วร่างกายของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อ20ปีที่แล้วงามกว่านี้เนี่ยนะอีก20ปีข้างหน้าแย่กว่านี้เยอะเนี่ยนะก็ลองมาคิดเดี๋ยวนะมันก็เป็นอย่างนี้นะก็มันก็เริ่มแปรไปมันก็เปลี่ยนไปเั้นในความเป็น อันนี้จังนั้นปัญญาจึงเห็นโดยประการต่างๆดังนั้นปัญญาที่เห็นโดยความเป็นอันนีจางเนี่ยเขพิจารณาเลยอย่างน้อยที่สุดเริ่มแยกเลยถ้าพิจารณารูปนะรูปอย่างใดยอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเริ่มมาคิดล้อดีตอนาคตปัจจุบันเริ่มเริ่มแยกเป็นการสามเลยนะในส่วนที่อดีต ก, ก็ไม่ถึงปัจจุบันส่วนที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ถึงอนาคตต่อไปแล้วก็มาแบ่งแยกย่อยอีกนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอก ยาบละเอียดเลวประณีตยไกลและใกล้ทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงก็เพราะมันสิน้นไปนะมันมีความสิ้นไปโดยลําดับวัยเป็นต้นนะมันก็สิ้นโดยลําดับวัยสิบปีที่หนึ่งก็ไม่ถึงสิบปีที่สองหรอกสิบปีที่สองก็ไม่ถึงสิบปีที่สามสิบปีที่สามก็ไม่ถึงสิบปีที่สี่สิบปีที่สี่ก็ไม่ถึงสิบปีที่ห้าสิบปีที่ห้าก็ไม่ถึงสิบปีที่หกมันก็สิ้นไปเสื่อมไปตามลําดับวัย อัน้นมันสิ้นไปทุกๆห้าปีมันยิ่งมันทุกปีนั่นแหละดีเอดีทุกฤดูอนะเพอฤดูหนาวมันก็ป่วยอีโรคหนึ่งฤดูฝนมันก็อีกโรคหนึ่งฤดูร้อนก็อีกโรคหนึ่งเปต้นมันก็เปลี่ยนไปตามตามสิ่งเหล่านั้นอันนะแล้วรูปที่มันไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่อาศัยรูปเหล่านั้นจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนสัญญาที่สัมปยุตกับเวทนาจะมั่นคงหรือก็ไม่มั่นคงสังขารที่สัมปยุตกับสัญญาเหล่านั้นจะแน่นอนไหมแล้วพยาจิตระที่เป็นตัดใจเหล่านั้นจะยยั่งืืนหรอ ก็ไม่ยั่งยืนทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรและสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอย่างเงี้ยมันสบายหรือมันทุกข์กันแน่ทุกข์นะนะมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรแต่ว่ามันดูแลนี่สิเนี่ยลาบากอะแต่ละคนเนี่ยคิดดูอะดูแลเนี่ยดูแลขันของตัวเองเนี่ยนะมีความสุขมากไหมดีใจไหมที่ได้ดูแลเนี่ยได้รับใช้ผมหวีผมตั้งวันหนึ่งหลายรอบเนี่ยนะมีความสุขมากที่แปลงฟัน ความสุขมากที่อาบน้ําขัดผิวมีความสุขที่ตับเล็บมีความสุขที่แล้วก็คิดเอากันแล้วกันาสุขจริงหรือสบายจริงหรือดูยิงยงงนะย่งดูยิ่งแปลงใหยิย่งดูยิ่งแย่ยิ่งดูยิ่งแก่ก็ากันยิ่งดูแลยิ่งแก่ขึ้นทุกวันทุกวันนะ่ะนะท่้นท่าพิจาระลให้ละเอียดละเอียดจริงๆก็ไม่ได้สบายจริงหรอกก็เต็มไปด้วยความทุกข์และในที่สุดนํามาซึ่งความทุกข์ใจอีกจนได้ใช่ไหม อย่างร่างกายของเราตอนไม่ป่ยวยเราก็ว่ามันสบายพอมันป่วยขึ้นมาเดี๋ยวก็นํามาซึ่งความทุกข์ใจอีกจนได้เพราะนั้นไอ้คาว่าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้อันนี้จังด้วยแล้วในที่สุดนํามาซึ่งความทุกข์ด้วยใครมีอํานาจจริงมหมอ่ะไม่มีผู้ใดมีอํานาจจริงอ่นะไม่มีใครมีอํานาจจริงเลยนั่นแหละเรียกว่าหน้าตาทั่วในรั้งหนึ่งนะว่าตามเห็นสิ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็น ทตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะว่าเป็นอนัตตาไม่ได้แปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้โดยที่ไม่มีความรู้ยังอื่นเลยก็มันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วไปอธิบายกับทุกเรื่องจบเลยถ้าไปอธิบายกับทุกเรื่องเนี่ยนะกล่าวตูคคำสอนเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตานนนนนตา สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาที่มันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงที่มันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็ น, นทุก์นเ น, นี่ยนะแต่ถ้าแปอธิบายอย่างอื่นเลยก็จบเลยเนี่ยนะอธิบายอย่างอื่นก็ไม่ได้อธิบายตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอะอะก็อนัตตาทั้งตีทั้งชาติเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตาระวังมาก จะไม่ใช่พวดพาดแสดงมาง่ายๆอย่างเช่นแม้กระทั่งอนัตตลักษณะสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องอนัตตาโดยตรงก็แสดงอย่างระวังดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้าหากว่ารูปจะพึงเป็นอัตตาแล้วไซรูปก็จะไม่พึงเป็นไตเพื่ออ า, าพาธและบุคคลย่อมได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย พิสูจทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตานั่นแหละรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลจึงไม่ได้ในรูปว่ารูปเป็นอะไรนะรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตอนท้ายก็ถามมาดูก่อพิสษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่น อัตตาของเราเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนงึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณน็ตใกล้ไกลนะเธอควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป เป็นต้นนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำลัดเพราะคลายกำลัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมอาจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนั่นนะเพราะฉะนั้นอนัตตาในพระพผู้เทเจ้าตรัสระระวังมากนั่นนะไม่ใช่ว่าพิสูจน์ทั้งหลายข้าพระองค์ไปพิสูจน์ทั้งหลายสมมุติระเคร่าาพระพิสูจนไปทําความเสียหายมาเนี่ยนะเออก็เป็นอนัตตา อ่าเมื่อเป็นอนัตตาไปห้ามได้ยังไงว่า ม, มันโกรธไปแล้วเธอโกรธแล้วเธอจึงฆ่าสัตว์เธอจึงทู่ศีลข้อนั้นข้อ น, น, น, อ น, นี้กิเลสมันมีกําลังมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็เลยไปทุ่ศีลเป็นต้นโพว่อย่างนี้ไหมไม่ดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําช่นไหนโมฆะบุรุษจึงกระทําอย่างนี้การกระทําของเธอไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วดูความพิสูจน์ตรญัติ สิกขาบทข้อนี้อาศัยอำนาจประโยชน์สิประการน่นนะสุดรายเลยว่าอำนาจประโยชน์มีอะไรบ้างแล้วก็บัญญัติสิกขาบทว่าพิสูตใดถ้าทำอย่างนี้เป็นอบัติชื่อนี้ชื่อนี้ถ้าเป็นอบัติชื่อนี้แล้วต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะฉนั้นอนัตตาที่พระองค์แสดงเนี่ยระวังมากไม่ใช่ว่าเอาระดับตีรณปริญญาหรือระดับหลังกังขาวิตรณวิสุทธิก่อนมัคามคายานัศนะวิสุทธิไปอธิบายกับทุกเรื่องไม่ใช่ ระวังมากเพราะว่าถ้าพูดพลาดจะกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ไหมถ้าอนัตตาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะจะไม่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้จะไม่ละสิ่งที่ควรละจะไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญไม่มุ่งทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาก็เลยปล่อยหมดเลยเพราะมันไม่ใช่อัตตาก็เลยไม่ใช่เรากตอย่ายุ่งกับเราอ้าวใช่ไหมมันก็เลยยุ่งมากทีนี้เอาไปเอามาก็เลยใครใครเสื่อม เราก็เสื่อมทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยห่างพระรัตนะตรัยไปเรื่อยเพราะเข้าใจวัตถุประสงค์คําสอนผิดพลาดไปเนี่ยนะะมันก็เลยเข้าใจว่าเอาคนเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับพูดไม่ดีก็เกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องทํางานหรอกเอาก็มันเกิดแก่เจ็บตายไปทําอะไรงานก็ไม่ต้องทํเอามันเกิดแก่เจ็บตายแบบคิดอะไรมากเพราะคําบางคําเนี่ยเรียกว่าพระธรรมก็เหมือนการใช้ให้ให้ถูกต้อง คำว่าสมถาวิปัสสนาก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะสมถะจริงๆแล้วอมความไว้กี่องค์มรรควิปัสสนาอมความไว้กี่องค์มรรคสมถานี่อมตั้งแต่สัมมาวาจาจนถึงสัมมาสมาธิวิปัสสนาอมอะไรไว้บ้างสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนั่นแหละแล้วสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเจริญบ่อยไหมเจริญมากไหมเต็มต้นเนี่ยก็ต้องเจริญทั้งบ่อยทั้งมากเจริญให้คู่ควบคู่แก่การ ป ร, สรัสรพันธะทำสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะสมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาตรงนี้ถ้ากล่าวตามทัสุตระสูตรท่านบอกว่าเป็นบ arak, ุปผาภัปลว่าเบื้องต้นสมถะเบื Greens ้องต้นวิปัสนาเบื้องต้นคำว่าต้นแล้ว อ, อะไรปลายอา่ะอ้าวถ้ามีต้นแล้วมันต้องมีปลายใช่ไหมและอะไรคือปลายโลกิยะเป็นเบื้องต้นโลกุตระเป็นเบื้องปลายเนี่ยนะมรคล่างๆเป็นเบื้องต้นมรคเบื้องบนเป็น เบื้องปลายแต่ตรงนี้หมายถึงว่าเบื้องต้นคือโลกียะเบื้องปลายคือโลกุตระนั้นสมถะวิปัสนาในทัสุตระสูตรนั้นเป็นโลกียะถ้าเป็นโลถ้าเป็นสังคีตสังคีติสูตรก็เป็นทั้งโลกียะและโลกุตระเนี่ย น, นะอันที่สองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสนาเนี่ย น, นะนี่ถามว่าการเจริญสมถะวิปัสนาเนี่ย น, นะก็ เจริญเพื่อให้อะไรจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยทำยังไงทั้งสมถะทั้งวิปั ส, สนาจะสัมปยุต์กันแล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยนะเป็นสมาธิให้ให้ตั้งมั่นเลยนะเพราะสมาธินั้นเป็นความตั้งมั่นสมาธิที่ทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิาย้อนกลับมานะครับบอกว่าคนที่ศึกษาอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะถ้าเขากิดที่เขาควรจะทําต่อไปคืออะไร อะไรก็เรียนมาเยอะแยะรู้ไปทุกเรื่องไปหมดเลยนะแต่ว่ามันฟุ้งเหลือเกินเนี่ยแก้ปัญหายัางไงก็ต้องสมาธินี่แหละเพราะว่าถ้าเขามีสมาธิบ้างความเข้าใจของเขาจะลึกซึ้งจากประณีตขึ้นการพิจารณาการเจริญกุศลธรรมก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นวันทำสามที่ควรเจริญนะพระพุทธเจ้าจึงยกสมาธิขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธสมาธินั้นก็แบ่งเป็นสมาธิมีสามประเภทคือ สมาธิมีวิตกมีวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงแต่วิจารณกับสุตดที่สามก็คือสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีทั้งวิจารณ์สมาธิที่มีวิตกคืออะไรสมาธิเนี่ยทัวร์อีกครั้งในสมาธิเขาแบ่งเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิคณิกะสมาธินี่ชื่อว่ามีวิตกอุปจารสมาธิก็มีวิตก สมาธิระดับปฐมฌานก็มีวิตกฝันสมาธิที่มีวิตกยังไงก็ต้องมีวิจารณแน่นอนอยู่แล้วละ่ะฝันสมาธิที่มีวิตกคือสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิที่ดูนะบอกว่าตรงนี้บอกว่าสมาธิที่เกิดสัมปยุตหรือเกิดพร้อมด้วยวิตกเป็นไปด้วยอํนานาจสัมปยุต ธ, ธรรมหรือสมาธิที่สัมปยุตด้วยวิตกเชื่อว่าสวิตักโก สมาธิพร้อมด้วยวิจารณชื่อว่าสวิจารโรก็ปรแปลว่าสมาธิที่เกิดพร้อมกับวิจารณเกิดร่วมกับวิจารณ์สัมปยุติกับวิจารณ์สมาธินั้นแบ่งออกเป็นระดับอะไรคณิกะสมาธิอ่และคณิกะสมาธิอะไรคณิกะสมาธินั่นแหละเป็นวิปัสนาสมาธิวิสมาธิเห็นแจ้งการเจริญวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะวิปัสนาเนี่ยมีสมาธิอัคค p a i r w วิปัสนานี่มีวิตกเป็นสหาย มีวิตกเป็นสายิจึงทากิจของตนได้เนี่ยนะเพราะวิตกตรึกไปโดยประการต่างๆปัญญาจึงเห็นแจ้งเหมือนอย่างว่าอะไรนะธรรมะนั้นอุปมาเหมือนคนที่จะดูอะไรดูได้อย่างละเอียดเนี่ยเอาอะไรพลิกมือพลิกวิปัสนาเหมือนกับตาวิตกเหมือนกับมือที่พลิกนะพลิกดูคนดูรายละเอียดเนี่ยนะปัญญานีนทากิจเห็นแจ้งมันอ่ คนที่มีตาเนี่ยนะก็ต้องอาศัยมือใช่ไหมพี่ตกเปรียบเหมือนมือวิปัสนาเหมือนกับตาวิปัสสนานั้นจําต้องมีตกเป็นมีวิตกเป็นสหายเนี่ยนะเป็นสหายจึงสามารถทํากิจของตนของตนได้พันวิปัสสนานั้นจําต้องอาศัยวิตกวิจาร์เนี่ยนะคล้คาคลอพินิจพิจารณาไข้ควนไปตรึกไปพันวิตกเนี่ยบางทีการตรึกเนี่บางทีเขาใช้คําว่าคามา อักคณนูปนิชฌานใช่ไหมลักขณูปนิชฌานคือการเพ่งนะชานคือการเพ่งเพ่งใคร่ครวนพินิพจารณาแยกแยะตรึกใคร่ครวญพระปันญธาลิตกตรึกเท่าใดปัญญาก็พิจารณาได้เท่านั้นปัญหามันไม่ยอมตรึกนี่สิมันเฉยถ้าอย่างนี้ดีไหมวันวันหนึ่งนั่งเฉยเฉวันวันทําทุกอย่างให้มันเสร็จจะได้ไปนั่งเฉยเฉยอย่างงี้นะดีตรงไหน อันั้นบางทีทําตัวเฉยๆเนี่ยมันเฉยมันมีหลายประเภทนะใช้ด้วยโลภะก็มีใช้ด้วยโมหะก็มีใช้บวกกับอุเทจรก็มีใช้บวกกับวิจิกิจชาก็มีใช้บวกกับมิจฉาทิฏฐิก็มีเฉยมันมีหลายประเภทเหมือนกันว่านังศึกษาให้ดีนะบางคนเนี่ยถือเอาการเฉยเป็นเป็นหลักใช่ไหมก็เลยไม่ใคร่ควรไม่ตรึกไม่พินิจไม่พิจารณาอะไรเพราะนั้นสมาธิเนี่ยนะสมาธิที่เกิดร่วมกับวิตกก็คือสมาธิที่ เป็นไปพร้อมกับการตรึกเป็นไปพร้อมกับการพิจารณาเป็นไปพร้อมกับการไข้ครวนจำเนกแยกแยะเนี่ยนะ